ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ ก, กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติ ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเสีเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็จะเกียกตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่ตตอตนเอง และเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัดเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติ อันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเครื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเอง การปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ท่านสอนไว้และพาเดินมาก็ยัง ทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเอง ก็ดังที่เราเห็นเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคารวะาและพระเสะิ็งปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่ พาดำเนินเป็นแบบเป็นรบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์ม่านเป็นต้นมีหาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละขแขนงต้วแรกแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่นินวิส ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้น ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สําหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเขียน่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการ แสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผบ ไปในข้แหน่งต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยช <c oughs> วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสบัิสดาร์สุขขุมัำพีลภาคมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำหรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไม่พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกปีแวะ มีทางแ ย, แยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกันเป็นไปได้ทุกๆุกแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำหรับตานาที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้ น, นผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการติบ การแยกการแตกขแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญ เพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกขแขนงไปไม่มีสิ้นสุดเช่นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรม ย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆ น, น, นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภทเคาะทุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลส ด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำานึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตาราหรือไม่สตธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตาราหรือไม่ยังไม่ได้คำานึงกันคำานึงหรือจดจ่อตั้งแต่ วิธีปฏิบัติวิธตีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกันกบข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้น น, น, น, น, นี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคํานึงตั้งแต่ตํำรับตําราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตําลา เป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบนสังวรยายจากตำรับตำลามมาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่า สติสบัทถปฏิยาสติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลส ประเภทนั้นๆเป็นแขนงแน ง, ง, งไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร น, นี่ท่านว่าอย่างนั้นนี่ปัญญาที่พิจารณาทาทาง้งในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไข ถ, ถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้น อาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำหนับตำราเลยแต่ จดจ่อต่อเนื่องกันกันกบความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบร ญ, ญญัติบรญญัตไว้มากน้อยเพียงไรก็าตามไม่สําคัญ สำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอ น, ถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้น ช, ชาระไม่ได้ ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างที่เรศกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่นี่วัน น, นี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงยอนยอนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเอง ท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับพิเดษจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับพิเดษนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรา ตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นของสติปรรัญญาศรัทธาความเพียรจนกล้าขึ้น ส, สู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นทำทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายพิเรศประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญา ป, ประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามเพยายามียรจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักร เลยความเพียร น, นั่นไปเสียทุกด้านทุกทาง ท, ทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าบ่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกรามหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายใจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเอง จงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำต่างสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือหมักรบ ปัหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลําดับตำดานนั่นแหละเรงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดบักขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็น จอมัดของเราเองนี่ให้เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริญาติกับภาคปฏิบั ต, ติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจําได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้น ไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบกแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจานวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภานจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขาตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์เ ป, เป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดําเนิน แม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋ อ, อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ในตํารามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตำ น, นาเต็มไปหมดแต่เรา เมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพารำเนินทั้งที่เราก็เยันจํามาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทําไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินอย่างไรเดินวิธีใดนั่งสมาธินั่นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆอียบบทต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำหนตอนดา ต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงปนนัญญาต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกถูกความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกวสติธรรมปัญญาธรรมวิธธรรมเข้าต่อกอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอ ถึงจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเล่าเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินอา้าวการเดินมินทบาทท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอ น, ถอนยุเรศเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดา เสียงที่จะสัมผัสต่างหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่ที่เคยพาราเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลลึกเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยนี่เนี่ยเกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูเมีาจารย์คอยแนะนำสั่งสอน mm hmm. ครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พอแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงรับไปแล้ว ผูได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเจนทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักิกีัยทั้งภายในคือการตอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่ อ, อ, อปัญญาเพื่อวิมุตติพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ขี้แกงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนามาแจกจ่ายซึ่งกากันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดําเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสําคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจจีค้านเสียท่านสอนให้มี ความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตางสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตางทันว่าให้คิดให้อ่านตรายตองในทางดําเนินอันจะเป็นไปเพื่อตัดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านตรายตองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปยืงหาผลไม่ได้เนี่ย เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำหนึ่งถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่ นี่นักปฏิบัติควรคำหนึ่งให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลคเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนเสริญที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนี้เป็นพื้นเพยอยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆุกนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิอดเลือออนใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ ที่เสียเหล่านี้มีลาบเสื่อมลาบเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสนเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายกส็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้เนี่ยทุกทุกเนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรมแป สุกเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรมแปดแล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีิ้ดดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งยึ ง, งไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมากมาขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้งกานี้ทั้งนั้น ตาหูจมูกเท้ยนกายของเราที่รับการกั่นกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโลกไว้สําหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความฟฟมือเฟ้เหื่หึงอันเหื่อหึงอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้น เราจรึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตําหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขาบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึง่งไม่ได้ตําหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้เพีสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเพื่อนหมายของจิต ที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก่แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคลวในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่า ผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถละแตกแขนงออกไปในแน่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหลมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะและกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งหนึ่งให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเรา ดวงเดียวนี้มันทนไหวหรอือถ้าไม่มีทัติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทา น, ทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราเราไม่ต้องพูดถึงคารวะญาตโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วทำไมจะต้องเลวไห ล, หลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลาย <c ười> นี่แหละผู้ปฏิบัติ ต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพิษแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหน หรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจทังสังขารเหุ่ความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแต่ความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มัน วาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความไปกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะ ให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตันหาเป็นสาคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียร มีสติปัญญาเป็นสำคัญตังหาไม่ได้ฆ่าเพื่อการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไรวันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์น่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลําพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลส แต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่แต่เพราะอย่างยิ่งราคาตัหาเป็นสิ่งที่ได้รับการ หนุนหลั ง, ลรรรงหรือรับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกําลังในธาตุในขันนี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกําลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลําดับนี่การก้าทางความเพียรคือสติ กำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างการร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลําดับลําดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กําลังบังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเอง ลาวกะว่าเอาทางสันลงปันตุบตับตุบตั๊ บ, บไม่ได้เรื่องเดี๋วลาวอะไรนะพะ อ, อดอาหารลงไปน้อยลงไป ท, งทั้งทั้งที่ลาวก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกําลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อย ไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ทานไปสามวันสี่วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดชัดในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบ ต้งผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่าทําลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะหรับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ํายีตีแหลกภายใหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทํากิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกําลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็าเมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนร่าในส่วนด้างกายไม่ให้มีกําลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะแล้ต้องนํามาคิดนํามาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริง เราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตาหนักตาลาเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนขแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางคติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลาย ชั้พันขม่มคำหนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนํามาใช้เพื่อแก้เพื่อต่อตอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่ฉเฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่ไม่มีกําลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ําทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโงขข่เขลาบ่ปัญญาของตอนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไร นอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลําดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเล่าอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผิดขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสาคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของด้วยความเพียรได้ สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยหแหลกเหลียวไปทุกเวลาเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้เนี่เรียกว่าเราทําความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกมากน้อยเพราะกิเลสย่ายีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขต่อถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้คน้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรและ ต่อสู้กันจกนกระทั่งถึงที่เดือดม้วนเสือลงไปม้วนเสืองไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเราของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี้บริิสุุทธ์พโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรจําเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายยีและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปลัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธคั้งพระพุทธเจ้าก็ก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้ หากว่าท่านจะนํามาบรรยายเสียทุกถิ่นทุกอย่างโดยทางตําราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอํานาจวาฒนาน้อยจําอะไรก็มาได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีเพียงแต่ส่วนที่เป็นเกแก่นทั้งนั้นที่ท่านนํามาเฉพาะอย่างยิ่งมัชชิมาปฏิปทา ในวงอริยสัจสีนี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีใดเหลือเลยท่านด็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรในธรรมะจักรับโดธนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรสมาธิสม า, ส, มาสกโปจงทั้งถึงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทําสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมือเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ ไม่มีคําว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธดขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้นั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำหััปําลาเรายกออกมาม า, มาคลี้ใครทำทั้งหลายที่ท่านจดจารลึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติทุตงตัวเดงแจ้งออกไปสิตติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางๆลาง เรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสกิเลสกิเลสเป็นมันแจงตัวมันไปอย่างไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้อนกันเหมือนกับเชื้อเชื้อไฟกิเลสมันกองเผอิญเทินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจยูตามตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละ คนโงูอย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรท่านั้นชั่วโมงท่านี้ชั่วโมงให้นับให้ดูระว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแล้วผมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่าทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแพงปลงหลายสารหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ดี่ จะบุดพ้นจากทุกต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นค่าศึกษาตัดเองอยู่เวลานี้คือกิเลด ท, ทุกประเภทเป็นค่าศึตษาหัวใจเราเราจะแก้แค่ด้วยวิธีใดน่นความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเช่นนั้งขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมนันอกทนต้องมันไปเองทนไปเองเพียรเพียร เ, เพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเอง ปัสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยอำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตายจะได้ที่ตรงนี้แล้วอไปหมายเพิ่ง วันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับทางการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรยาไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอิตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นค่าสิบ ก, กับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปจะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตนเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบร ม, มสุขหรือถึง ความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นค่าสึกทั้งหลายก็หมดไปแล้วหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นค่าสึกต่อไปอีกท่านจังหวัดนิพานังปรมามังสุ ข, ขังหรือนิพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่ที่ชื่อท่านพูดเอาไวา้ว่า น, นิพานเที่ยงนิพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆ ที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพานเป็นสูขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสูขอย่างยิง่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขังนั้นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ทีผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบลาไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่ยอยางเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลย แล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอราหันอ ร, ราหันมีจานวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละโปร่งโปแบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทําไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเหี <c oughs> ่ยเวลานี้ทําชุดเอื้องหรือเหล่อ มันอยู่ในความเปื้อยพอดีพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเลยออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดอมการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสท่านเอาความพอดีไปไว้ไปไว้ไปปกักขวาปัาง้ง้ําใส่ไว้หมดให้เยียบตั้งแต่ขวากั้งนามของกิเลสนั่นเหลอเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรนั้นเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้หรือไม่ใช่กิเลสมัน ตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งอย่างนี้ความเพี่ยนยังไงจึงพอดี ค, ความเพียนที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลาดับๆนั้นแลคือความเพียรดีไอ้เรื่องกิ น, นดีนอนดีั่งดีขี้เกียจขะขี้เกียจกี่ข้ามากมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็น ผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นดั่งเห็นธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเห็นนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นําบัพติญจพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพรกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิน ญ, ญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้เข้าครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้ไม่ได้รับความทุกข์ทรมาน ไม่มีจิตดวงเดียวก็ ม, มีวิญญาณดวงเดียวก็ ม, มีแวน่นจิตพระหันเนพระอรพระพุริเจ้าและพระหันเท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื่อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสคลางหมดไปยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพิจารณี่แล้วเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณี่มันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทํางานแล้วน้อยไหมพิจารณี่ดูความคิดความปรุงของเรา ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลืนไหวของกิเลสทุกระยะที่กิจแสดงตัวออกมาแล้วจะได้แก้ไขกันโดยลําดับลำดาห้ามหันกันไปลำดับลำดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ทําละไปะได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตวความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้ เกิเลสเป็นเรื่องใหญ่ตัวมามากแล้วสร้างพบสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าสืบมีอะไรเดินท่าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าสืบนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจอยนั้นเป็นตัวภัยเนการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างเหยาะยเหยา ะ, ยะนะมันจะทันกันเหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกุมามากต่อมากแล้ว ก, กี่กับกี่การมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้แล้วมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรงเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกเพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเปเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิมนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนํามาใช้ ชนิดไหนที่กิเลสมันจะในม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั่นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคื อ, เ, อ, อเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจัดความจริงภายในจิตใจตัวงจนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเดิมดับแล้วอย่างไงก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะถูกกล่อมจากกิเลส จ, จนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสีย เมื่อทําได้เก้าสูงขึ้นไประดับแล้วความชอบใจะอะไรมีแต่ทำกิเลสเปนม้วนเสื่อมม้วนเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เป็นธรรมล้ที่นี่แล้วการพู้การที่ว่าทําทํางานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทํางานอยู่บนหัวใจของเราขยับพับเป็นกิเลสแล้วขยับพับเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนั่นกิเลสทำงานแล้วทางานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากําลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทํางานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผอ ม, มากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแตองยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น แต่เมื่อความภาคเปลี่ยนทั้งเรามีเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะการนุนอยู่ตลอดเวลา น, นี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันนําทํางานโดนหัวใจเรามันทํางานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นัเห็นไปเดินระดับแย่เึ้นไนดับจนกระทั่งถึงส ต, ติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทํางานแทนที่กิเลสมาขายับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขายับออกไปมีเป็นความภาคความเพีย่ยนมีแต่เรื่อง เป็นค่าสืบกับกิเลสค่ากิเลสค่ากิเลสสุดท้ายก็ทําขึ้นบนหัวใจขึ้นทํางานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอนุอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่เนียมนานมากก็สามารถขึ้นไปนสร้างอัดสร้างธรรม ขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารจิเลตไปเดิมดับดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นนั่มาพิจิตพิจารณาสิเมื่อถึงขั้นปัญธรรมมีกําลังก็ต้องเป็นอย่างจิเลตเคยมีกําลังมาก่อนคลายหัวใจเรานั่นแหละเมื่อทํามมีกาลังมีกําลังครลายหัวใจเราก็เช่นนั้นจิเลตพางลงไปพังไปมีแต่ทำทำงานสติทํางานปัญญาทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอดของทำทํางานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มี อะไรที่จะมาติดมาเปื้อนกิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทา่านบอกบรมสุขนั่นแหะทนันมากิตบริสุทธิ์แล้วจะประชามละอะไรที่นี่ทุกที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมน่ะไม่เห็นตายเห็นตะกีดเลือดแล้วตายถ้าเอาจิงเอาจังแล้วกิดเลมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตจิตที่บริสุทธิน์นี้ดลลวนนี่ ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจไปคุยปฏิบัติสิมาหึงมาหวงมาห่วงมายายอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่หรอือแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตติโนนาโถให้เห็นพระจักรพรรดิจิตใจระหว่างกับระหว่างธรรมกับพิเดศฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะได้เห็นชัดว่านี้แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้เพึ่ง ความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมยัยฆ่ากระดิษให้มันแหลกไปแหลกไปแหลกลงไปโดยลำดับนี่แหละชื่อว่าเราพึ่งเราได้โดยลำดับดั บ, ดบจนกระทั่งเป็นอภิญตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรนะพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมา แล้วล่อยหลอไปร่อยหล อ, อไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มว่าศา ส, สนานี้มันทุเลสนะอะชาพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทําลายเอาเสียแหลกไปหมดนิจตาทุเลสมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหวัวใจมีแต่กิเลสทํางานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยม เช้าพุทธของเรานี่เทียบกับพุพพพทธบริษัทนี่ประชาชนหน้ดวงก็เป็นอีกแบบหนึง่งสร้างอีกแบบหนึง่งเผาอีกแบบหนึง่งพระเนรเราก็เป็นอีกแบบหนึง่งเผาอีกแบบหนึง่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราไปยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของนี่ร้อนเต็มส่วนเผาใจคนอื่น ถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคําระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนเดนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการสา ะ, ะแสางหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอํานาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันมีปีนาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้าง ป, าปา่าช้าป่าช้าที่บ้านั้น นั่นนั้นเป็นการไปรเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็นว่าล้างปา่าช้าล้างปาช้านี่คือฝากกิเลสให้มันม้วนเสือลงไปกุศลากิเลสเพื่อความฉลิดของเหล่านี้เรียกว่าล้างปชาช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่ น, นเรียกว่าล้างปชาช้าดังพระพุทธเจ้ารัษาวกท่านท่านล้างหมด ปาชาแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตาย ม, มีแต่ความเมตสุดพุดโทโธนี้เท่านั้นนั่นนั่นแหละฐานล่างป่าชามีเพื่อนฝูงก็มามากพระเนนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงยังไงให้ดูอย่ามาเป็นเพื่อนปันไพ่เก่งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมทำโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามา อูสักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเรามัใช่คนตาบอดไม่ล้าคารวาสญาโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัดเป็นธรรมนี้เป็นของําพัญมากเรานี่มาเพื่ออัดเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัดเป็นธรรมดูให้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้เนี่ต้นทุนนําไปคุยปฏิบัติีิบวะเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งอันหนึ่งที่จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์ นี่เป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศา ส, สนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกไปเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเรียวแหลมนี่ศา ส, สนาเจริญศา ส, สนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เนี่ยว่าศาสนาเจริญ กระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไ พ, พราพลิ้งด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาจะเลยตัวเองก็มั่นการคิดเรื่องใดมุมใดทําหน้าที่ใดพูดออกมาประโยชน์ใดให้เป็นอัดเป็นธรรมเพื่อชําระศาสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นระดับตําดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นกติด้วยกันหมด นี่เรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวายเดือดร้อนเพราะอํานาจของกิเลสชาลิ่างไปหมดไปโดยลําดับตำนาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนทั่งมิมุตหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นนั่นาศาสนาเจริญที่สุดจเจริญตรงนั้น อย่จเจริญตั้งแต่ที่เรศพี่แนี้ศาสนาจเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทําได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวว่าเห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมเพื่อที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความจเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วกอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็ น, ปนผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัจโดยธรรมิเท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเไปอย่างนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำมันั้นชอบทำนั้ น, น, นโลกจริงมากอยากทําแต่อย่างนั้นโลกจริงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาจเจริญที่ไหน ก็เห็นแต่กิเลสมันจเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความจเจริญของกิเลสแล้นําไฟมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบน่นบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนําความสุขความสบายมาพูดใน้ฟงข้ามีความสุขอางนั้นสบายความนี้นะไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงแล้วหมู่อล้วที่ทั่ ว, วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหู มันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากใจิตใจของเรานี่เหนื่ยเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยฮเอาไปถลุงเียจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะแต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไม่หมดโลกกว่นี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกขส์สิความสุขมีอที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ผลิตขึ้นมา เรื่องทำทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบรื่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอแล้วสินี่ชาตินาพระเจ้าประกาศท้าทายมาทั้งเท่าไหร่แล้วเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบออ ด, ด้วยอิดด้วยอดด้วยทำพระองค์ประกาศมานานเท่าไรแล้วแล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไร เราอยากให้เป็นอย่างนั้นะเราเป็นนักปฏิบตัติให้ยื่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้น ผ, ผิดไฟขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจ ด, ดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้ฮปราบกิเลสปราบปืนปราไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากปืนจากไฟให้มีความร่มเย็นประสู่ชงเสริมกันตรงตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความส่างอ่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองคับลงไปที่ขัดจิต เมื่อขาดให้ฟ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุดแล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายเขางคนที่หมดค่าศึกภาร จ, จิตใจแล้วฉะ น, นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียวเวลาเวลาอัะละการแสดงธรรมอย่างเนี้